ฝรั่งเศสนั้นเป็นประเทศคาทอลิกดังนั้นภายในประเทศจึงมีการกำจัดพวกโปรเตสแตนต์ตนเรื่อยมาชาวโปรเตสแตนต์ตนในฝรั่งเศสมีชื่อเรียกพิเศษว่าพวกฮิวเกนอตซึ่งเริ่มตั้งกลุ่มเกิดมีองค์กรขึ้นเมื่อคศ1559แต่หลังจากนั้นเพียง3ปีคือคศ1562ก็เริ่มเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างพวกฮิวเกนตนั้นกับพวกคาทอลิก ฝ่ายโปรเตสแตนต์ถูกสังหารหมู่จึงตอบโต้ด้วยการสังหารบาทหลวงและขมขืนแม่ชีสงครามดำเนินต่อไปโดยทั้งสองฝ่ายทำการต่างๆอย่างโหดร้ายชาวคริสต์สองนิกายนี้ทำสงครามกลางเมืองกันมาเรื่อยๆอย่างยืดเยื้อและล้มตายกันไปมากจนหลังสงครามกลางเมืองครั้งที่8ดแล้วมีกษัตริย์ที่เดิมเป็นโปรเตสแตนต์ได้ขึ้นครองราชยอมสยบต่อ ว, วาติกัน อันเป็นนับถือคาทอลิกแล้วได้ประกาศราชองค์การแห่งแนนส์หรือนองส์ในภาษาฝรั่งเศสเมื่อปี1598ทําเให้ชาวโปรเตสแตนต์ได้มีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาและประกอบพิธีกรรมของตนพวกฮิวเกนนอตจึงค่อยหายใจสะดวกขึ้นแต่พอถึงคศ1 6 7บาทหลวงใหญ่ซึ่งเป็นรัฐบุรุษด้วยคือคาร์ดินาลลิเชลู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 แต่ไม่มีสิทธิ์ที่ชุมนุมและขาที่หลบลี้ภัยจะตากรรมของพวกฮิวเกนอตมาถึงจุดจบในรัชกาลพระเจ้าหลุยที่14มหาราชในคศ1685เมื่อพระองค์ได้ทรงยกเลิกเพิกถอนพระราชองค์การแห่งแนนซ์หรือนองซ์ที่ให้สิทธิทเสรีภาพแก่พวกฮิวเกนอตไว้ตั้งแต่คศ1598ทรงห้ามมิให้มีการถือปฏิบัติลัทธิศาสนาอื่นใด นอกจากศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกถึงตอนนี้พวกฮิวเกนอตก็หมดทางไปและในที่สุดพวกฮิวเกนอตประมาณ5 0าแสนถึง1ล้านคนต้องอบพยพหนีภัยไปอยู่ในประเทศอื่นที่นับถือนิกายโปรเสตสแตนต์เช่นอังกฤษฮอลแลนด์เดนมาร์กสวี Holland, Denmark, Sweden, German, เดนเยอรมันแอฟริกาใต้และจำนวนหนึ่งก็หนีต่อจากยุโรปไปดินแดนแห่งโลกใหม่คืออเมริกา ไปอยู่ในรัฐต่างๆเช่นมสซาชูเซตนิวยอร์กฟลอริดาและเซาท์แคโรไลนาหลายประเทศในยุโรปยินดีต้อนรับให้พวกฮิวเกนนอตเข้าไปอยู่ในประเทศของตนเพราะพวกฮิวเกนนอตเป็นคนระดับที่มีการศึกษาดีเช่นเป็นคุณนางพ่อค้าปัญญาชนและช่างฝีมือต่างๆรวมทั้งนายทหารและนักเดินเรือทะเลการอพยพใหญ่ครั้งนี้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 ที่ว่าโปรตสแตนจบสิ้นจากฝรั่งเศสนั้นไม่หมดจริงโดยสิ้นเชิงพวกโปรตสแตนยังรวมกลุ่มประชุมกันพยายามฟื้นนิกายของเขาขึ้นมาและต่อมาก็มีการพยายามกำจัดพวกฮิวเกนนอตอีกในช่วงคศ1 7 4่สถึง1754แต่ถึงตอนนี้ประชาชนเริ่มเบื่อหน่ายไม่พอใจการห้ามหันบีธากันแล้วพวกฮิวเกนนตก็อยู่มาได้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 ตรงกับปลายรัชการสมเด็จพระนารายมหาราชก่อนจะสวรรคตสปีคือทรงสวรรคตพศ .2231 ตรงกับคศ .1688 ตรงนี้ขอให้นึกถึงบันทึกของพ่อคาฝรั่งเศสเกี่ยวกับการที่พระเจ้าหลุยที่14จะชวนสมเด็จพระนารายมหาราชให้หันไปเป็นคาทอลิกที่ยกมาให้ฟังข้างต้นที่เขาพูดว่า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 ถ้าใครไม่อ่านไม่รู้ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสและประเทศในยุโรปตอนนี้จะมองไม่เห็นและไม่รู้ทันว่าบันทึกของพ่อค้าฝรั่งเศสนี้มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งความหมายว่าอย่างไรคำว่าได้ทรงจัด ก, การศาสนาในราชอาณาเขตของพระองค์ก็คือการที่พระเจ้าหลุยที่14่ทรงดำเนินการให้ศาสนาอื่นโดยเฉพาะนิกายโปรเสตสแตน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 ซึ่งเขาถือว่าเป็นศาสนาที่ว่าไม่ดีก็จะถูกกำจัดหมดไปและชาวพุทธในสยามครั้งนั้นก็คงมีชะตากรรมเช่นเดียวกับพวกยูเกนนอตในฝรั่งเศสหากการเป็นไปเช่นนี้พระเกียรติยศของพระเจ้าหลุยที่14ก็จะเลื่องลือระเบือไกลวงประชาชาวแคทอลิกก็จะแซ่ซ้องสรรเสริญพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าหลุยที่14กันโดยทั่ว